พ อ, พอได้พื้นฐานนะเมื่อวานให้ประโยคที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนอยู่เป็นประจำจำได้ไหมมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยเป็นสภาวะที่พร้อมพอที่จะไปเกิดปัญญาไม่ใช่ปัญญาธรรมดาด้วยปัญญาสู่มรรคผลมีปัญญารู้แจ้งเห็นสิ่งต่างๆ ต, ตามความเป็นจริง เห็นสิ่งต่างๆตามความจริงคือเห็นว่ามันมีลักษณะคือเป็นไตรลักษณ์สมอย่างมีสติคือรู้ตัวไม่เผลอนะไม่เพ่งไม่กดเอาไว้ไม่คิดด้วยถ้าคิดอยู่ก็ไม่มีสติถ้ากดเอาไว้ไม่ใช่มีสติถ้าเพ่งเอาไว้ไม่มีสติเพราะมีการมีการกระทำไม่ใช่รู้เฉยๆจะมีสติคือความรู้ตัวเฉยๆว่ามีอะไรเกิดขึ้น นะแต่พวกเราเนี่ยจะพลาดตรงที่ว่าพอเห็นว่ามีกิเลสเกิดขึ้นแล้วมันรู้ว่าไม่ดีรู้สึกว่าไม่ดีก็เลยไม่อยากให้มันไม่ดีอีกแง่หนึ่งก็คืออยากให้มันดีเลิก็เลยทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นเพ่งเอาไว้เ <c oughs> นี่นะเพ่งวะอย่าอย่าเผลอนะยอย่าเผลอนะเรียบร้อยตรงนี้ครูบาอาจารย์เรียกว่าเผลอเพ่งนะคือเผลออีกแบบหนึง่งมันมีเผลอสองสองซีกเผลอซีกแรกคือเผลอกกับโลก เผอ์อย่างหนึ่งคือเผอเพ่งเอาไว้มันมีการสุดตองไปสองด้านเพอ์ไปกับโลคนี่ก็คือเพอเพลินซึ่งคนทั่วไปเพอย์อยู่แล้วพอคนเริ่มจะปฏิบัติเห็นว่าความเผล์เพลินไม่ดีก็เลยเพ่งเอาไว้มันผ่านจุดตรงกลางที่พอดีมามามากเกินไปมาเครียดเกินไปมาเพ่งเกินไปมาบังคับเอาไว้เกินไปไอ้พอดีคือรู้รู้เฉยเฉยมันเกินรู้ไปแล้วกลายเป็นเพ่ง เบื้องหลังของความเพ่งคืออยากดนะีส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีประสบการณ์ตัวนี้กันนั้นจะมีเผลอไปสองแบบไอ้ตรงกลางที่ถูกๆเนี่ยไม่ค่อยมี <c oughs> จะผ่านไปผ่านมาแล้วกลายเป็นเผลอสองแบบจริงๆไม่ต้องทำอะไรมากแค่รู้ว่าเผลอเผลออะไรบ้างตอนนั้นเองไม่ต้องพยายามไปทำตัวสติให้เกิดนาน เราเห็นว่าสติน่าดีก็เลยพยายามจะทําสติแต่จริงวิธีให้เกิดสติคือรู้สิ่งที่ผิดสองแบบแค่รู้สิ่งที่ผิดถูกพอดีแล้วอยากดีเผลอเพ่งอีกแล้วเข้า mm. ใจไหมให้มันเกิดกิเลสไปแล้วก็รู้ทันเกิดกิเลสไปแล้วรู้ทันอย่างงี้ดีกว่ามันจะมีสติบ่อยกว่าแต่เธอเผลอเพ่งเอาไว้นะเพ่งไว้ได้นานเท่าไหร่นะก็ขาดสตินานเท่านั้น <laughs> แล้วเพ่งนั้นก็จะมีกําลังแล้วจะมี มีความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งว่ากูเก่งทำได้เราสงบได้นานมีกิเลสแล้วเราก็กดเอาไว้ได้นานมีราคะเราก็กดได้เก่งเราเก่งจะมีความรู้สึกถือตัวขึ้นมาถือตัวขึ้นมานี่เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งเรียกว่ามานะกูเก่งดังนั้นสิ่งที่เราจะทำคือให้เห็นความจริงว่าไม่มีกูไม่มีเราพระรูปเจ้าเฉลยไว้แล้วว่า กายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราแต่ใจนี้ยังไม่ยอมนั้นสิ่งที่จะทำให้ใจนี้มันยอมและเกิดปัญญาเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราขึ้นมารู้เฉยๆเวลาเห็นกายก็เห็นกายก็เพื่อมไปจิตไหลไปให้รู้สานว่าจิตไหลไปนะมีสติขอบเขตของการมีสติคือรู้กายและรู้ใจและหรือมีและแล้วก็หมายทับหรือและหรือรู้ใจขอบเขตแค่นี้ถ้ารู้นอกจากนี้คือ ไม่ใช่มีสติในแง่ของสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเห็นว่ามันเที่ยงจิตเนี่ยดูแล้วสุขสบายนานๆเ น, น, นี่ย น, นะดูแล้วมันรู้สึกว่ามันมันเที่ยงไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงนะนะแสดงว่ามไม่เห็นความจริงของมันความจริงที่เป็นความจริงแท้ๆของกายและใจคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นแล้วมีความสุข แสดงว่ายังไม่เห็นความจริงเพลินมันจะชวนให้เกิดราคะชวนให้อยู่กับโลกนี้ต่อแต่ไม่ใช่เห็นเห็นในแง่ของโทสะอยากจะทิ้งโลกนี้ไปแบบโทสะนะ่ฉันเบื่อโลกนี้แล้วไม่อยากอยู่แล้วนะ่ะจะกลายเป็นฆ่าตัวตายนี่ก็ไม่ได้นี่ก็เกินเกินพอดีเกินพอดีไปต้องเห็นแล้วใจเป็นกลางเห็นแล้วดีใจ ไม่เป็นกลางเห็นแล้วไม่ชอบใจเสียใจก็ไม่เป็นกลางความเป็นกลางคือรู้แล้วเฉยเฉยเฉยในที่นี้เป็นเฉยด้วยปัญญามันมีเฉยหลายแบบกดเอาไว้ทำทำหน้าขลึมขึมพยายามพยายามไม่มีปฏิกิริยาพยายามไม่ให้มีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วเคยเห็นไหมคนที่เขาเหมือนวางตัวเป็นนักปฏิบัติแล้วเดินไม่วอกแวก อันนี้เรียกว่าเพ่งเกินไปสร้างความขึ่มขึ้น ม, ม, มาในใจไอ้สร้างความขลึมเนี่ยเป็นขึ่มปลอมเป็นอุเบกขาปลอม